ได้ยินเสียงไหมข้งางล่างเลยเสียงเบาไปหน่อยเปล่าหนึ่งอ่งอ1 2 3 1 2 3อ่าะดังกันละมาจากที่ไหนกันมนบบาจากทลำปางอ๋อม า, มามกันกี่คนนะมากัน3คนครับเนาะอือ มาทำอะไรเลยอ่าผมย้ายงานแล้วก็มารับปริญญาด้วครับอ๋อรบับปริญญาที่ไหนอ่าสถาันเทคโนโลยีไทญี่ปุ่นครับอืมเรียนอะไรนะอ่าปียาโฟการจัดการอุตสาหกรรมครับอยู่ที่ไหนนี้สถาบันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนอยู่เมืองพัฒนาการครับอยู่รงเทพใช่ครับอืมสภานี้แยกออกกอ่ที่เขาอุ่ อ่าระดับปริญญาโทแล้วครับมีนักศึกษาเยอะไหมอ่าน่าจะหลายพันเลยคแต่ปริญญาโทจะจะไม่ค่อยเยอะอือเป็นหลักร้อยเลยถูกอ่าปริญญาโทน่าจะน่าจะร้อยอกว่าคนอ่ามีมีหลายสาขาหรือสาขาเดียวอ่ามีการจัดการศึกรรมอ่าบริหารแบบญี่ปุ่นมีวิศวกรรมแล้วก็อื เจของกิจการนแล้วมันแล้วมันรู้จักที่นี่ได้ไงอ่าผมว่าน่าจะมาครั้งที่ห้านะนอ่รู้จักผ่านทางไหนมาอ่าผมรู้จักเคยถิงจากหนังสือของวงตาครับอ่ามีหนังสือของวงตาเลยครับอืม นี่ว่าได้เคยเคยไปวัดป่าบ้านตาด้วยอยังครับยังไม่เคยไปนะเคยเคยพบหลวงตาบ่เคยเจอหลวงตาบ่ไม่ครับไม่เคยนะเพียงแต่มีหนังสือของท่านแล้วสนใจทางปฏิบัตินะครับก็มี้านใหบ้านครับ บ้างยังไงไหมแ่ยังนั่งสมาธิ อ, อะไรครับพยายามให้มากที่สุดนั่งแบบทุกวันไม่ว่านั่งตามอมีอไปปฏิบัติธรรมครับบ้างครับแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้นั่งครับอ่อืมแล้วเวลานั่งได้ผลบ้างไหมยังไม่ขึ้นหน้าเขาที่ครับอืมยังค่อยดี แต่ก็ยังสนใจติดตามศึกษาแ่วที่ได้สัมผัส ก, กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นประโยชน์บ้างไหมเป็นประโยชน์ครั บ, เ, เ, รบเอาไปทำอะไรได้บ้างเลยเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในการบธธริหารจัดการในในเนงงื้อ ก็ในการดูแลหัวและก็การนี้ครับแต่ก็การช่วยเหลือสังคมด้วยตอนนี้ก็บุยักเลือดหักสเรือนอยก็ทาทานเป็นประจำครับแล้วก็รักษาศีนหาพยายามอยู่ครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ทุกข้อสีนแปดนี่ก็ยังไม่ได้รักษาเลยอ่าส่วนใหญ่จะพยายาม วันบันพรครับอ่าก็การช่วงมาอยู่ระยะหนึ่งแล้วแล้ววันพระ ก, ก็จะนั่งสมาธิด้ะครับอืมแต่ถ้าวันธรรมดาก็ไม่ได้นั่งครับอื ม, อมก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆอผลจะเกิดจากการกระทำอื ม, อมถ้าไม่ทำมันก็ไม่เกิด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 ชีวิตของเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปความโลภโมโทสันก็จะไม่น้อยลงไปความวุ่นวายใจความทุกข์ใจก็จะไม่น้อยลงไปแต่ถ้าเรานำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเอาไปปฏิบัติความทุกข์ใจก็จะเบาบางลงใจความโลภความโกรธความหลงก็จะน้อยลงไป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 ใจก็จะไม่ทุกตอนนี้เรามีอะไรเราพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เราไม่โลภอยากจะได้มากไปกว่านี้เราก็จะไม่ถุกแต่ถ้าเราอยากเราโลภอยากจะได้มากกว่าที่เรามีอยู่เราก็จะทุกข์เราก็จะต้องดิ้นรนไปทะหาไปทำอะไรต่างๆเพื่อให้เราได้สิ่งที่เราอยากได้เพิ่มมากขึ้น แล้วก็ต้องเหนื่อยเพราะการที่จะหาอะไรได้อะไรมานี้มันก็ไม่ใช่มาแบบง่ายๆก็ต้องทุกกับการหาสิ่งที่เราอยากได้แล้วถ้าไม่ได้ก็จะเสียใจแล้วหรือถ้าเสียสิ่งที่เรามีอยู่เราก็จะเสียใจดงนความเสียใจความทุกข์ใจความไม่สบายใจ เกิดจากความโลภของเราเองจะเกิดจากความอยากของเราเองพอเราอยากได้อะไรแล้วมันใจของเราก็อยู่ไม่เป็นสุขใจของเราก็ต้องไปดิ้นรนไปหาสิ่งที่อยากได้มานี่ก็เป็นสาเหตุที่จะทำให้รักษาศีลไม่ได้นะ ่็ เ, เวลาที่เราอยากจะได้อะไรหาอะไรบางทีเราก็ไม่สามารถที่จ ะ, ะพูดความจริงได้เราก็จะต้องพูดปดนะในบางทีเราอยากจะได้อะไรมากๆบางทีเราก็ต้องโกงคือลักทรัพย์เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยที่ไม่ชอบ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 ำลำรงชีพเราก็ควรจะมีความสุขได้แล้วถ้าเราหยุดความโยบโลกความอยากต่างๆได้กะสิ่งที่เราต้องมีก็มีแค่สี่อย่างนี้คืออาหารเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัย <S 2> <S 2> <S ถ้าเรามีแล้วร่างกายก็อยู่ได้อย่างสุขสบายแล้วทีนี้จะทุก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 เห็นเขาไปเที่ยวไปหาความสุขทางสถานบันเทิงต่างๆ mm hmm. ก็อยากจะไปถ้ามีความโลภความอยากเหล่านี้มันก็จะทำให้เราอยู่อยู่ไม่เป็นสุขอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้จะรู้สึกเหงารู้สึกว่าเวจะต้องออกไปเที่ยวกัน ถ้าเรามาหยุดความโลภความอยากไปเที่ยวได้ใจเราหยุดความอยากไม่ไปเที่ยวได้ใจเราก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขได้อยู่เฉยๆได้เพระฉนั้นแทนที่เราจะไปเที่ยวกันเรากลัที่จะหยุดความอยากไปเที่ยวกันจะดีกว่าวิธีจะหยุดความอยากไปเที่ยวก็ต้องหยุดความคิดนะต้องใช้สติดึงหยุดความคิด อย่าให้ใจคิดไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ให้พุทโธพุทโธไปให้ท่องพุทโธพุทโธไปแล้วพอใจไม่คิดถึงเรื่องเที่ยวใจก็จะเย็ยนจะสบายก็จะอยู่เฉยๆได้อยู่บ้านได้ไม่ต้องออกไปข้างนอกไม่ต้องเสียเงินเสียทองไม่ต้องไปหาเงินหาทองมา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 กว่าจะได้เงินทองมาพอได้เงินทองมาเราก็เอาไปเที่ยวพอหมดเราก็หาใหม่เราก็วนอยู่ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนความสุขก็เป็นความสุขเหนียวเดียวเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาบ้านก็หายไปแล้วความว้าเ ว, วก็กลับมาใหม่อยากจะออกไปเที่ยวใหม่ อย่างถ้าเราทาอย่างนี้เราก็จะไม่มีวันที่จะอหยุดความอยากเที่ยวได้หยุดความว้าเหวได้หยุดความไม่สบายใจได้วิธีที่จะหยุดก็คือเราต้องหยุดความอยากแทนความอยากนี้ถ้าเราสู้กับมันนี่เราหยุดมันได้ถ้าเราฝืนมันเราไม่ทาตามมันมเหนียวมันก็หมดกาลัง พอมันหมดกำลังแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขอยู่บ้านก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวเพราะความเหงาความว้าเวความรู้สึกเหล่านี้มันเกิดจากความอยากไปเที่ยวพอความอยากไปเที่ยวหยุดไปความเหงาความว้าเวความเศร้าส้อยน้อยเหงาซึมเศร้าอะไรต่างๆก็จะหายไป ใจก็จะสงบเบิกบานสบายอกสบายใจอยู่เฉยๆได้นี่คือวิธีที่เราจะหยุดความทุกข์ใจและสร้างความสุขใจเราต้องหยุดความโลภหยุดความอยากอย่าไปทำํำในสิ่งที่เราไม่จำเป็นจะต้องทํทำเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเช่นาอาหารมาให้ร่างกายรับประทาน หาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยหายารักษาโรคเท่านี้ก็พออย่าไปหาอะไรใหม่มากไปกว่านั้นเพราะอย่างอื่นหามาได้เท่าไหร่ก็ไม่พออยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยอยากจะได้มากขึ้นไปเรื่อยอยากจะได้ของใหม่ๆอยู่เรื่อยๆก็จะทำให้เราต้องไปเหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมา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 อาหารถ้ากินแบบคนธรรมดากินมันก็ไม่กี่ทางแล้วถ้ากินพอประมาณไม่ต้องกินมากกินละมือสองมือ้อก็ออยู่ได้แล้วเราก็จะสบายไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองมาแบบไม่มีขอบไม่มีเขตแล้วก็ไม่ต้องไปทาผิดศีลผิดธรรมถ้าเราไม่ต้องการหาเงินมากๆ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 ด้วยการทําตามความอยากเพราะเวลาเราอยากได้อะไแล้วใจของเราจะไม่ไม่สุขใจของเราจะรู้สึกขาดอะไรอต้องไปหาสิ่งที่อยากได้มาอพอหามาได้ก็สุขใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็มีความอยากเกิดขึ้นมาใหม่อยากจะได้สิ่งใหม่ต่อวิธีที่จะแก้ปัญหาก็คือ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 ก็จะสร้างความอยากใหม่ขึ้นมาพอได้อย่างนี้แล้วก็อยากจะได้อย่างนั้นต่อแต่อย่างนั้นแล้วก็อยากจะได้อย่างโน้นต่ออยากไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องได้ไม่มีเราก็ไม่ตายเยสิ่งไหนที่มันไม่จําเป็นเราอย่าไปอย่าไปทํามันอย่าไปหามันมาทําเท่าที่จําเป็น เส้นเวลาถึงเวลารับประทานอาหารก็หาอาหารอะไรมารับประทานพอให้มันอิ่มปากอิ่มท้องก็พอถ้าเสื้อผ้าไม่พอใช้ก็ไปซื้อมาใส่ถ้าพอใช้ก็ใช้ของเก่าไปไม่ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่ได้เรื่อ ย, อยใช้ไปจนกว่ามันจะใช้ไม่ได้แล้วค่อยไปซื้อมาใหม่อย่างนี้เราก็จะไม่ต้องไปดิดน้นรนไปดิ้นเหนื่อยกับการหาเงินหาทองมา เ้าก็ไม่ต้องไปทําผิดกฎหมายไปทําผิดศีลธรรมแล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้ปัญหาของเราอยู่ตรงนี้อยู่ที่ความอยากทุกคนเกิดมานี่อยากกันทั้งนั้นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากมีนั่นอยากมีนี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่กันแล้วพอได้แล้วพอไม่ไม่พอก็อยากได้อีกได้สูงกว่า น, นั้นอีก จนเป็นข้าราชการเป็นนายสิบก็อยากจะได้นายร้อยได้นายร้อยก็อยากได้นายพันได้นายพันก็อยากจะได้นายพลอยากเป็นไปเรื่อยๆถ้าเป็นประชาชนก็ธรรมดาเป็นประชาชนธรรมดาก็ไม่พอใจอยากจะเป็นผู้ใหญ่บ้ า, บางอยากจะเป็นกรรนันบ้างอยากจะเป็นนายกเทศมนตรีบ้าง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 เวลาไม่สบายทุกกนเพราะไม่อยากจะไม่สบายอยากจะให้หายเร็วๆแต่เวลาไม่สบายแล้วรักษาไม่ได้ก็ยิ่งทุกข์ใหญ่พ่ออยากจะให้รักษาให้หายพอรู้ว่าจะต้องตายก็ทุกข์เพราะไม่อยากจะตายมันมีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเท่านั้นถ้าเรามาหยุดความอยากได้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 เราอย่ามาแก้ปัญหาด้วยการทำตามความอยากเพราะมันจะไม่มีวันจบออยากได้ในสิบพอได้มาแล้วพอไหมไม่พออยากจะได้ในร้อยแล้วอพอได้ในร้อยพอไหมไม่พออีกอยากเป็นเศรษฐีอยากได้เงินล้านพอได้มาแล้วพอไหมไม่พอะอยากจะได้สิบล้านนะเอพอได้สิบล้านพอไหมไม่พอะ แล้วของที่จะซื้อก็แพงขึ้นไปเรื่อยๆตอน่ <rồi. S 2> านมีเงินแสนก็ซื้อของราคาแสนพอมีเงินล้านที่ก็ต้องซื้อของราคาล้านของอันเดียวกันนี่แหละแต่ราคาต่างกันเช่นรถยนต์รถยนต์ราคาแสนถ้ามีเงินระดับแสนก็ซื้อรถราคาระดับแสนพอมีเงินระดับาา ล, ล้านก็ซื้อรถราคาระดับล้านถ้ามีร้อยล้านก็ซื้อระดับร้อยล้านมันก็ลดเหมือนกัน ก็นั่งมีพาเราไปไหนมาไหนได้เหมือนกันแต่ความอยากมันจะหลอกเราว่าต้องนั่งรถร้อยล้านดีกว่านั่งรถสิบล้านนี่แหละคือปัญหาของพวกเราถูกความละถูกความอยากหลอกหลอกให้เราวิ่งตะคุกเงามันคิดว่าความสุขอยู่ตรงนั้นอยู่ความสุขอยู่ที่การได้ทำตามความอยากแลอได้สิ่งที่อยากได้มา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 เอาไปจ้างคนมาขับพอรถจอดทิ้งไว้เฉยๆเดียวมันก็เสียอีกตัวเองก็ไม่ได้ขับนะไปจ้างเขามาขับเอียงแต่ตัวเองได้มันดูว่าเป็นรถของฉันนั่นเองนี่คือความอยากมันหลอกให้เราโง่ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดพระพุทธเจ้ารู้ว่าวิธีแก้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 ไม่ช้าก็เร้วก็ต้องมีการจากกันนี่เรามองไม่เห็นึเรื่องล้าเอาตรงนี้ชีวิตเราก็เลยวุ่นวายกับการทำตามความอยากทำเท่าไหร่ก็ไม่เอ็งไม่พอพอถึงเวลาไม่ได้ทำตามความอยากก็เครียดกันทุกันเวลาแก่นี่ก็ไม่มีใครไม่มีใครมีความสุขกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่สุขกัน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 พ่อแม่ต้องสอนเราไหมว่าให้หนูอยากได้นย่างนู่นได้อย่างนี้รู hey. Hey. ้เลย hey. พอเกิดมาเห็นนายชอบก็อยากได้นะ hmm. ความอยากนี่มันเป็นของอัตโนมัติมันติดมากับใจของเรา hmm. ความไม่อยากนี่แหละเป็นของที่เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ต้องเปลี่ยนใจจากอยากให้มันไ ม, ไม่อยากไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร hmm. น่าจะอยู่เฉยๆได้จะจะหยุดมันจะหยุดความอยากได้ต้องหยุดความคิดเพราะว่าความอยากนี่อาศัยความคิดเป็นตัวนําถ้าเราไม่คิดนี่มันก็ไม่เหมืนมนมันก็ไม่รู้จะอยากอะไรมันต้องคิดก่อนไอ้วันนี้เราอยากเราอยากจะทําอะไรดีเนาะไปเที่ยวดีไหมไปหาเพื่อนดีไหมไปที่นู่นที่นี่ดีไหม พอคิดปะเออดีปออไปเห็นก็ไปแต่ถ้าเราไม่คิดมันก็ไม่รู้จะไปอยากอะไรให้เรามาหยุดความคิดกันให้มันคิดในเรื่องที่ไม่อยากเช่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธไปคํำเดียวเนี่ยมันก็จะ ม, มันมันก็ไม่รู้จะไปอยากอะไรกับพุทโธพุทโธไม่มีอะไรให้เราอยากนพอมันไม่อยากใจก็จะเย็นใจสบายมีความสุขขึ้นมะ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 อยากจะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีอย่าไปทำอย่าไปทำอย่าไปท า, า, ปทาตามความอยากม า, มาฝืนความอยากกันเอาด้วยการมาหยุดความคิดกันขั้นต้นก็หยุดความคิดพอหยุดได้แล้วขั้นที่สองก็สอนให้คิดว่าการทำตามความอยากนี้เป็นการไปหาความทุกข์ไปหาความวุ่นวายใจต้องไม่ไม่ทำตามความอยากดีที่สุด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 คนมีความสุขมากกว่าที่คนเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านแต่ยังมีความอยากอย่างพระพุทธเจ้าก็เคยเป็นเศรษฐีร้อยล้านพันล้านะแต่ท่านบอกว่าไม่อยู่แบบขอทานดีกว่าแล้วก็อยู่แบบไม่อยากท่านมาอยู่แบบขอทานแล้วท่านก็มาหยุดความอยากนั่งพุทโธพุทโธไปเอาขวากเอาสติมาหยุดความคิดน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 ต่อไปก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจใจก็จะนิ่งจะสงบจะอิ่มจะพอตลอดเวลาเหมือนคนกินกินข้าวอิ่มตลอดเวลาใจนี้ถ้ า, ถ, าถ้าหยุดความอยากได้แล้วมันจะอิ่มมันจะพอมันจะไม่หิวถึงแม่ร่างกายจะทานอาหารมันก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บไข้ได้เปิดมันก็ไม่เดือดร้อน ความสุขทางร่างกายนี้มันเป็นเพียงเสี่ยวเดียวของความสุขของทางใจความสุขใจนี้ยิ่งใหญ่มากสามารถรับความทุกข์ของร่างกายได้หมดร่างกายจะทุกข์ขนาดไหนความสุขนี้จะสามารถกลบมันไปได้หมดทำให้ไม่รู้สึกทุกข์กับความทุกข์ของร่างกายเลยแต่ในทางตรงกันข้ามีมีความสุขทางร่างกายถ้าใจทุกขน์นี้ความสุข ไม่ไม่มีความหมายเลยเช่นตอนนี้เราก็ร่างกายเราก็สุขสบายดีพอเราได้ยินได้ฟังข่าวร้ายขึ้นมาหน่อยเราก็ทุกข์ขึ้นมานะเช่นขโมยขึ้นบ้านได้ข่าวว่าขโมยขึ้นบ้าน ใ, นใจเราก็ทุกข์ขึ้นมาหรือไฟไหม้บ้านนี่เราก็ทุกข์แล้วเพราะเราไม่อยากให้มันไหม้เราไม่อยากให้ขโมยขึ้นบ้าน พอไฟไหม้บ้านไฟขึ้นบ้านความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากก็เกิดขึ้นะแต่ถ้าคิดแบบไม่อยากก็คือมันจะไหม้ก็ไหม้ไปห้ามมันไม่ได้กํโมยจะขึ้นบ้านก็ขึ้นไปแล้วห้ามมันไม่ได้มันขึ้นไปแล้วจะไปทําไงได้มันไหม้ไปแล้วจะไปทำยังไงได้ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะไม่ทุกข์ไหม้ก็ไหม้ไปก็หาใหม่หาบ้านใหม่ซะอยู่ อยู่ไม่มีบ้านอยู่ก็ไปอยู่ก่ใต้สะพานไปก่อนก็ได้อยู่ไปตามมีตามเกิดสุนัขมันไม่มีบ้านอยู่มันยังอยู่ได้เราวิเศษเราเก่งกว่าสุนัขเราไปกลัวทำไมอยู่ไม่ได้ก็ตายตายก็ตายถิมันร่างกายยังไงทักวันมันก็ต้องตายอยู่ดีอยู่ที่ไหนมันก็ตายเหมือนกัน อยู่ที่ไหนอยู่ใต้สะพานก็ตายอยู่ในวังก็ตายถึงแม่ร่างกายมันจะตายอยู่ที่ไหนมันก็ตายเหมือนกันถ้าใจไม่ไปอยากให้มันไม่ตายแล้วก็จะไม่เดือดร้อนใจต้องรู้ว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราห้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้แล้วก็อย่าพอรู้ว่าห้ามไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็อยากแล้วมันจะทุกข์ไปเปล่า ทุกแล้วมันก็แก่อยู่ดีทุกแล้วมันก็เจ็บอยู่ดีทุกแล้วก็ตายอยู่ดีไปทุกทำไมปล่อยให้มันแก่เจ็บตายโดยไม่ทุกไม่ดีกว่าเลยก็เฉยให้ไปหยุดความอยากไปแล้วเราจะมีความสุขยากดีมีจนไม่เป็นปัญหาอะไรอยู่ไม่ได้ก็ตายใจก็ยังสุขเหมือนเดิมอยู่ก็สุขตายก็สุข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 อยากทุกเรื่องอยากทุกสิ่งทุกอย่างอมันไม่มีวันหมดเลยถ้าทําตามความอยากเราก็จะเหนื่อยถ้าหยุดความอยากได้ฝืนความอยากได้ก็จะสบายอยู่เฉยๆได้ไม่มีอะไรมากวนใจนี่คือเรื่องของการมาศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เรารู้ว่าปัญหาของพวกเรานี้ ไม่ได้อยู่ที่ไขยอยู่ที่ตัวเราเองไม่อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่ความยากดีมีจนไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ความอยากของเรานี้เท่านั้นเองเรามาหย SO, ุดความอยากด้วยการหยุดความคิดกันว ha ิธีจะหยุดความคิดก็ต้องคิดในเรื่องที่มันไม่คิดทำให้มันไม่มีคิดเรื่องอื่นก็ให้คิดอยู่กับพุทโธไปพุทโธพุทโธไป เลยท่ายาวหน่อยก็พุทธังสลานังกัจามิธรรมังสลานังกัจฉามิสามั ง, งสลานังกัจามิก็ไดาเอี๋วยวจะให้ยาวๆสวดบทพระพุทธคุณธรรมคุณสามคุณไปก็ได้สวนแล้วมันก็จะไม่มันก็จะลืมเรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่มีความอยากแต่พอหยุดปั้นมันก็จะอยากเอตุนี้เราต้องขยันสวดขยันท่องพุทโธไปจนกว่ามันจะหยุดคิด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 เราก็ต้องสู้กับมันพราอมันคิดพอมันคิดจะอยากได้นู่นได้นี่ก็พุโทโธพุทโธไปหยุดเงินไปให้ให้คิดว่าความอยากนี่เหมือนไฟก็แล้วกันพอมันลุกเราก็ต้องอน้าํามาดับมันเอาพุทโธมาดับมันพอมันอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้อยากได้นั่นได้อยากได้นี่ก็พุทโธพุทโธไปพอมันไม่อยากเราก็หยุดพุโทโธได้เนี่ยอันนี้เป็นวิธีที่จะทําให้เราต่อไป จะอยู่อย่างมีความสุขเหน่อยแบบนี้ดีกว่าเหนื่อยกับการไปหาเงินหาทองหามาแล้วก็ใช้เดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วก็ต้องไปเหนื่อยต่อไปเรื่อยๆแต่เหนื่อยกับการสู้ความอยากนี้มันถ้าชนะมันแล้วสบายพอมันแพ้พอมันแพ้แล้วมันจะไม่มามันไม่กล้ามาสู้เราละเหนื่อยเหนื่อยไม่นานเหนื่อยเดี๋ยวเดียวเหนื่อยสู้กับความอยากเอาความอยากยอมแพ้แล้วทีนี้ก็สบาย แต่ถ้าเป็นเหนื่อยกับการหาเงินนี้เหนื่อยไปทั้งชาตินะหาเงหาไปจนวันตายเพราะความอยากได้เงินนี้มันไม่มีวันหมดจะแก่ขนาดไหนก็ยังอยากได้เงินอยู่จะเจ็บไข้ไล้ป่วยก็ยังอยากได้อยู่จะตายก็ยังอยากได้อยู่ตายแล้วต้อต้องกลับมาเกิดหาเงินใหม่นะ ที่เรากลที่เราตายจากชาติก่อนมาเกิดชาตินี้ก็เพราะเรายังอยากหางเงินอยู่กันออโตโปั๊บนี้ไม่ต้องมีใครสอนเรื่องหางเงินเลยหากันเองแต่ว่าต้องสอนวิธีหางเงินที่ถูกกับที่ผิดแค่นั้นเองส่วนใหญ่ชอบไปหาแบบผิดกันชอบไปขโมยเงินของคนอื่นเกันชอบไปโกงเขาชอบไปโกหกหลอกลวงเขาเพราะมันหา ง, นง่ายกว่าหาง่ายกว่าไปทํางานวันละสามร้อยบาทเนี่ย วันละแปดชั่วโมงแตจะได้สามร้อยบาทไปโกหกหลอกลวงใครเดียวป๊บเดียวได้เป็นพันนะอาชีพมิจฉาชี พ, ชพถึงแพร่หลายตกทองเอาทองเก๊ ม, มาแลกทองจริงอะไรก็โกหกหลอกลวงก็โกงเอาทรัพย์ของคนอื่นมาด้วยวิธีหลอกลวงเขานคนที่ถูกหลอกลวงก็เพราะความอยากอยากจะได้ทองเยอะ เขาทองเส้นใหญ่ผมมาแรกทองเส้นเล็กก็เอาแล้วมันก็โนดความอยากด้วยกันหลอกกันนี่ถ้าไม่อยากได้เราขายใครจะมาหลอกเราไงไดใช่ไหมใครจะอะไรมาหลอกเราเราไม่อยากได้ถ้กอย่างก็หลอกไม่ได้วความจริงมันก็มีอยู่ง่ายๆมีใครอยาของดีมาให้เรากันอยู่ดีๆใครก็จะเอาของดีมาให้เราเอาของดีมาแรกของไม่ดีไม่มีหรอก เอาทองเส้นใหญ่มาแรกทองเส้นเล็กนี่มันมีใครก็ทำเหมือนหรือ่าไม่เคยฉูกคิดเลยว่ากําลังจะถูกหลอกอืความอยากมันเลยทําให้เราไม่รอบคอบความโลภมันทําให้เราไม่รอบครอบก็ถึงเรียกว่าโลภ ม, ม, มากมักราบหายถ้าไม่โลภแล้วลาบไม่หายแล้วเงินทองยังไม่ถูกใครเข้ามาหลอกไปกินได้ง่าย แต่ถ้าโรบเดี๋ยวถูกก็หล่อไปกินหมดนะแต่แม่ชะม้อยเห็นไมเอามาเล่นแชร์เดียวได้ร้อยละร้อยละห้าสิบเดียวใครใครก็อยากจะได้กันนะได้ได้ดอกแต่ไม่ได้ต้นใครเล่นก่อนก็ได้ไปใครเล่นทีหลังพอพอพอแชร์ร้มก็ก็หมดตูดกัน <laughs> นี่ยะคือปัญหาของโลกเราทุกคนมีความอยากกันก็เลยมาหลอกกันมาโกงกันมาเบียดเบียนกันเมื่อตัวเองไม่มีปัญญาที่จะหามาโดยวิธีไม่ไปทําผิดกฎหมายไรืทําผิดศีลหรือทามันก็เลยต้องเอาทําผิดศีลผิดศีลผิดศีลแล้วาำผิดกฎหมายเพราะมันหาได้ง่ายหาได้เร็วค้ายาเสพติดนี้ภาษีอะไรต่างๆเหลนี้มันเป็นวิธีหาเงินที่ได้ได้เร็ว แต่มไม่คิดถึงโทษที่จะตามมาเวลาถูกจับต้องไปติดคุกติดตารางเลยเพราะความอยากมันทําให้ไม่คิดรอบคอบมันจะเอาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตอนนี้อยากจะไดะไ้ต้องเอามาให้ได้ไม่ด้วยเลขก็ด้วยกล<ม>ต้องหาอะไรมาไม่งั้นมันเครียดมันกินไม่หลับนอนไม่หลับแต่ไม่รู้วิธีแก้ปัญหา วิธีแก้ปัญหากับพุทโธพุทโธไปเวลานอนไม่หลับเวลาเครียดกับความอยากก็พุทโธพุทโธไปอย่าไปสนใจท่องพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หยุดเดี๋ยวความอยากก็หายเวลาท่องพุทโธก็อย่าไปอยากให้มันได้ผลทันทีท่องไปเรื่อยๆท่องไปแบบไม่สนใจท่องเหมือนร้องเพลงไปพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเหนื่อยก็หยุดสักหดุดหายใจสักสองสามทีแล้วก็พุทโธต่อเ เดี่ยวความอยากมันก็หายไปหายแล้วใจก็เบาสบายขึ้นมาแล้วต่อไปจะไม่แก้วิธีไม่แก้ปัญหาด้วยการไปทําตามความอยากแก้ด้วยพุโทโธเดียว่าพุโทโธพุธโทโธไปแเราจะสบายเงินทองจะเหลือใช้ถ้าวันนี้เงินทองไม่พอใช้กระเพราะใช้มากกว่าหาได้พอเห็นอะไรอยากได้ก็ซื้อเงินผ่อนเนาะรูดบัตรกันไปก่อนนะ ทีนี้พอถึงเวลาจ่ายก็ไม่มีเงินจ่ายแล้วเห็นเราหันกลับมาใช้วิธีที่พระเจ้าใช้ดีกว่าพป็นุตตเจ้าใช้วิธีแก้ปัญหาความไม่สบายใจต่างๆด้วยการใช้สติหยุดความคิดหยุดความอยากอยาท่องพุโทโธไปก็ได้จะสวดอะไรไปก็ได้แล้วใจมันก็จะหยุดความอยาก แล้วใจก็จะสบายมีความสุขพออยากที่ไหรก็พุทธโธไปต่อไปมันความอยากมันก็หมดกำลังไปแล้วเราก็อยู่อย่างสบายหาหาเลี้ยงหางนเี้ยงปากเลี้ยงท้องนี่มันไม่ยากเย็นเท่าไหรนะ่แล้ววันละสามร้อยนี่ก็เหลือกินแล้วถ้าใช้อย่างประหยัดเนี่ยก็พออยู่ได้ แต่หาวันละสามพันก็ไม่พอใช้ถ้าใช้ซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆกระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้าชุดหนึ่งก็เป็นหมื่นนะเี่ยแต่ถ้าใช้แบบประหยัดใช้แบบพอเพียงนี่มันก็ไม่กี่ยตังค์ไม่มีกระเป๋าก็ใช้ถุงพลาสติกก็ได้มันก็ใส่ของได้ไเหมือนกันนี่มันก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ใช่มันไม่ผิดศีลธรรมไม่ใช่แต่ไม่ใช้ของถูกๆกัน ชอบไปใช้ของแพงๆเพราะกลัวเขาดูถูกดูแคลนยังมีความอยากมีหน้ามีตายอยู่ไม่อยากให้เขาดูถูกดูแคลนเราไม่อยากต้องไม่แหให้เขาดูถูกเหยียดหยามเราอันนี้ก็เป็นความอยากอีกแบบเขาจะดูถูกก็ดูถูกไปเลยเขาไม่มาหาเงินให้เราเนี่ยหะ่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 จะไม่เกลกับการมีหน้ามีตาอย่าไปมีหน้ามีตาเลยหน้าเราก็มีแล้วตาเราก็มีแล้วจะไปเอาอะไรอีกเนี่ยการจะดูถูกก็ปล่อยเขดูถูกไปความยิ่งดูถูกดีกว่าดูผิดเขาเห็นลองยากจนก็ยากจนไปสิมันจะเดือดร้อนอยังไงความยากจนมันไม่ได้เป็นเป็นเรื่องบาปกรรมที่ยังไหน มันไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายไปที่ทางไหนยากจนก็ยากจนเลยพระพุทธเจ้าฉันยังยอมยากจนเลยท่านเห็นเดือดร้อนท่านเป็นพระเจ้าลูกพระเจ้าแผ่นดินเวลาออกจากวังจะไปบวชเดี๋ยวขอทานขอทานขอเปลี่ยนเสื้อผ้าก็ยังเปลี่ยนให้เลยเห็นเห็นใส่ชุดเจ้าชายสวยขอทานอยากจะได้ขอทานมาขอเปลี่ยนได้ไหม ก็จะเอาเลยคนอยากจะได้ชุดเจ้าชายเอาไปแ้วเราจะเอาชุดขอทานใส่คนที่ไม่หลงไม่โง้จะไม่ไม่ยึดไม่ติดกับของเหล่านี้ดีชั่วไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าใช่ไหมดีชั่วมันอยู่ที่ทำบาปหรือไม่ทำบาปทำบุญหรือไม่ทำบุญทำความดีหรือทำความชั่ว ทำความชั่วมันก็ชั่วต่อให้ใส่เสื้อผ้าหนักท า, าแพงๆมันก็ยังชั่วยนั้นถ้าไม่ทําชั่วใส่เสื้อผ้าของเขาทานมันก็ไม่ชั่วดีชั่วมันอยู่ที่การกระทํา ไ, ไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าให mm hmm. เราต้องรู้จักความจริงว่าอะไรเป็นอะไรดีชั่วอยู่ที่การกระทันทไม่ได้อยู่ที่ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง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 แล้วไม่ทาอะไรให้กับตนเองมากเกินเกินความจําเป็นไม่ต้องมีบ้านร้อยล้านอยู่ไม่ต้องมีรถราคาสิบล้านขับไม่ต้องมีเพชรมีแหวนมีของอะไรต่างๆเครื่องประดับอะไรต่างๆใส่ใส่ไปทําไมมันได้เลยเหมือนเป็นเล่นยี่เกออใส่ใส่เพชรร้อยล้านนี่มันได้เลยทําให้ตัวเรามีราคาร้อยล้านเออ ก็มีค่าสําหรับโจรผู้ร้ายเลยอาจจนเพนร้อยล้านมันก็ได้จี้ได้ปนได้กลายเป็นเป้าของมิจฉาชีพไปเห็นไหนได้ข่าวเมื่อเร็วๆนี้มีดาราชอบโชว์เพชรโชว์อะไรนี่โจรมันเข้าไปปนในอพาร์ทเม้นหมดเลยเนี่ยเอาไปหมดเลยไม่รู้กี่ร้อยล้านมันได้อะไรมันไม่มีอะไรเอาเงนินร้อยล้านนี่มาทําประโยชน์ไม่ดีกว่านะ ช่วยเหลือคนยากคนจนคนแก่คนชราคนเจ็บไข้ได้ป่วยสร้างโรงพยาบาลซื้อหยุกซื้อยาอะไรมาคนที่ก็เดือดร้อนก็รอรับการช่วยเหลือมีเยอะแยะไปกลับไปซื้อเพชรไว้ทําไมเพชรมันทำอะไรได้กลับกลายเป็นภาคราต้องคอยมาเฝ้าเพชรอย่างนี้เราต้องไปจ้างรอพอมารักษาอีกเี้ย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 คนดีจริงๆนี่เขาจะไม่มีของฟุ่มเฟือยไม่มีของหรูหราใช่เพราะก็เห็นว่ามันไล่สาระมันไม่มีประโยชน์อะไรมันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาความสุขใจเกิดจากการทำความดีต่างหากเวลาทำความดีแล้วมันอิ่มเอิบใจสุขใจสบายใจภูมิใจใครจะชมหรือไม่ชมก็ไม่สาคัญใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สาคัญ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 เป็นการหลอกลวงมากกว่าทำบุญแบบหลอกลวงคนที่เขาทำบุญเพื่อจิตใจจริงๆก็ไม่ต้องมาโฆษณาไม่ต้องมาให้คนรับรู้เขาทำแล้วก็มีความสุขใจมีความอิ่มใจที่เขาบอกว่าปิดทองหนังพระเนี่ยคนที่ปิดทองหนังพระนี่ได้บุญมากกว่าคนปิดทองหน้าพระเพราะปิดทองหน้าพระนี่ไม่ได้ทำบุญเพื่อบุญ ทำบุญเพื่อน้าเอาหน้าเอาตาเอาชื่อเอาเสียงบุญเลยไม่ได้ใจแล้วไม่มีความสุขเป็นแต่ดีใจว่าโอ้ฉันมีหน้ามีตามีคนรับรู้ว่าเราได้ทำบุญอย่างนั้นอย่างนี้ไปดั <c oughs> นั้นขอให้เรามาเชื่อพระพุทธเจ้ากันแล้วทำแบบที่พระเจ้าทำกันมาหยุดความอยากกันมาอยู่กันแบบสมถะเรียบง่าย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 พอจนนี้มันรู้แล้วไม่มีเหลือแล้วหมดเนื้อหมดตัวลัว่าจนพอแล้วพอมีพอกินหากินไปวันวันหนึ่งก็พอแล้วพระพุทธเจ้าท่านหากินไปวันวันหนึ่งถ้าไม่มีสะสมอาหารไว้เลยใช่ไหมบินตาบาัดวันนี้ก็ฉันวันนี้เสร็จก็สลับไปเลยไม่เก็บไว้ถึงวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หาใหม่หาไม่ได้ก็อดไปอดก็ไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่มีความอยากกินแล้วมันไม่เดือดร้อน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 มาทำทานพระพุทธเจ้าด้วยกันมาหยุดความอยากกันมาอยู่กันแบบสมถะเรียบง่ายมักน้อยสันโดษพอมีพอกินก็พอแล้วเอถ้ามีเงินเหลือก็เอาไปทำบุญทำทานไปสงเคราะห์โลกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่าเอาไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าไปซื้อเพชรอย่าไปซื้อนาฬิกาเไปซื้อต้มหูซื้อสร้อยมาเลยมาเป็นภาระ ก, กับจิตใจต้องคอยดูแลรักษาต้องมาวิตกกังวลห่วงใหญ่ จะต้องไปเอาไปเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวต้องซื้อเงินไปซื้อตู้เซฟมาใส่อีกเนีองมีอะไรยิ่งมียิ่งมากยิ่งทุกมากมีความกังวลมากมีน้อยก็กังวลน้อยไม่มีเลยก็ไม่มีความกังวลเลยงั้นเรามาเปลี่ยนวิธีดําเนินชีวิตของเราใหมา่มาหยุดความอยากได้ลากยดสรรเสริญกันหยุดความอยากได้อลูกเสียงกลิ่นนอดกันะ มาทําใจให้สงบกันดีกว่ามาพุทธโธพุทธโธกันถ้าอยู่บ้านไม่สงบวุ่นวายก็ไปอยู่วัดกันไปหาที่สงบทําใจให้พุทให้สงบแล้วใจจะอิ่มจะมีความสุขจะมีความพ อ, อมก็อคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พริยะถ า, าวาริวหาเปราปาริเปเรนติสักลัง เอวเมวะอิโตทินังเปตางังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิตเมวะสมิจัตุสัพเพบุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถาเมนิจตีระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันโตสัพโรโควินัสตุ มาเตผวะตวันตรายูสุขีที่ขายุโกผวะอภิวาทนัสสิลิสะนิตยางุตตาปจายโนยตาโรธรมมวัฏานติอายุวันุสุขังภาลาังใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้นะ ไปมาที่หลังอยากจะเข้าของก็ามาประเคนประถวายก็เข้ามาได้ยังไงยัง ไ, ไงถึงไปกอนหัวมาไปบวชมาเหรออ๋อเขาก็ปีฮะอยากตัดสั้นๆหนึ่งอ่าเป็นไงโงแหงดีกั้นนะ อย่าง น, นะานี้น็เลยไปตัดแค่นี้ด้ยนะครับ เ, เปิดทางหน่อยนะค่ะกลุ่นที่องต้อาขอวางตรงนี้เลยแล้วซองไปตรงนี้ <c oughs> ไปตรงนี้ <c oughs> อยนะ่าได้นังสือซีดีก็หยิบแล้เอะใช่ก็เหร อ, อ, อเอาศีลเอาสมาธิไปทำต่อน ะ, อ, ะอย่าทิ้งนะอย่ายโยนทิ้งไปเรียนมาแล้วก็เอาไปทำต่อทำได้เป็นเป็นโยมก็ยังทำได้อยู่เหมือนเดิม กนะามีเวลาก็ทาําไหว้พระสวดมนต์เหมือ น, นที่เราทําทุกวันนี้รักษาอศีลไปเหมือนที่เรารักษาอยู่ทุกวันนี้กินข้ามเมื่อเดียวได้ก็กินต่อไปอออก็อยากมันทําไมอยู่มาได้สองสามเดือนสบายนะฝืนความอยากไว้เราจะสบายนะถ้าตามความอยากแล้วมันจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าหล่ก็ไม่พอนะ พยายามรักษาการปฏิบัติที่เราได้ปฏิวัติมาสามเดือนนี้ต่อไปนะนะอย่าอยู่ในผ้าเหลืองหรือนอกผ้าเหลืองมันก็ยังทำได้อยู่คนยังคนเดียวกันอยู่นะไม่ได้เปลี่ยนไปตรงไหนนะนะอย่าไปดื่มสุรายาเมาอย่าไปนะเล่นการพนันนะอย่าไปเที่ยวกลางคืน ทำงานต่างๆทำมาหากินเรียนหนังสือเราชีวิตจะมีแต่ความสุขมีแต่สิ่งที่ดีงามตามมานะถ้าไม่ควบคุมใจมันจะพาเราไปทํางสงต่ำนะมันจะชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปเเสพยาไปดื่มชูกาไปอะไรต่างๆถ้าไม่ฝืนมันก็เดี๋ยวมันก็ลากเราไปเรื่อยๆ ออกไปนั่งสวดมนต์ดีกว่าถ้ามันชวนเราไปกินเหล้านั่งสวดมนต์ดีกว่าถึงเวลาทําวัดเย็นละไปนั่งทําวัดเย็นถึงว่าถ้ายังไม่ถึงเวลากินก็อยา ก, กินะมันเป็นพระนี่แต่ไม่ใช่เวลากินเราก็ไม่กินในชะ่ไหมกินไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ได้ลองกลับไปดูซิว่าจะาอดข้าวเย็นได้สักกี่วัน เนื้วไม่อดแล้ววันนี้กะจะมาบนะวันนี้กะจะฉลองลเลยรักษาได้ดีก่อนนะทำมาได้ต้องนานแล้วรักษามันต่อไปแล้วสุขภาพจะดีขึ้นร่างกายจะไม่อ้วนไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนลองดู ลกงไปคิดดู <Yeah. S 1> เวลาอยากก็พุโทโธพุโทโธไป <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็ลืมแนละ <Yeah. S 1> เดี๋ยวก็หายอยากนะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมทำไมอยู่ในวัดไม่กินขา้าวเย็นได้ทำไมอยู่ที่วัดไม่กินข้าวเย็นได้ทำไมออกจากวัดแล้วทำไมต้องกินขา้าวเย็นด้วยเพราะเราไม่เหยียบเบรกไว้อยู่ในวัดเราคอยเหยียบเบรกไว้ <Yeah. S 1> yeah. อ่าออกไปเราก็เราก็รักษาต่อไปนี่ของดีอาตายเลยไม่รักษาอแับไปเอาของไม่ดีมาทำไมเอาของไม่ดีมาแรกกับของดีทําไมการไม่กินขาน้าวเย็นกับกินขา้าวเย็นนี่ไม่ไม่กินขา้าวเย็นมันดีกว่าจะตายไหมอาจารย์ไม่ต้องไปกินเลี้ยงใครยังมาชวนไปเลี้ยงบอผมถือศีลแปดไปไม่ได้กาอใังมาชวนไปเที่ยวบอกไปไม่ได้ ศา ส, สนาอื่นเขายังอ้างศาสนาได้คนอิสลามอจะให้เขากินหมูเขาบอกเขากินไม่ได้นะแต่ทำไมเขาอ้างได้ไอเราทําไมเขาจะให้เรากินเหล้าเราบอดเราถือศีลกินเหล้าไม่ได้นะไม่ไม่อ้างเพราะเรามันอยากกินอยู่แล้ว <laughs> เลนไม่อ้างกัน เป็นลูกแล้วเป็นหลานเป็นลูกใช่ไหมมันเป็นสาดีแล้วก็ลู ก, ลกสาวเดียนไปทำความดีต่อนะถ้าเรียนไม่จบก็ไปเรียนให้จบอะไรนะ <c oughs> เอาเลยเอาเลยอยิบไปเลย ค่ะว่าออเมริกาค่ะเพิ่งมาที่นี่ครั้รอ่อยู่ที่อยู่ที่รัฐไหนค่ะอยู่ที่รัฐไหนยูร์จเนียร์จเนียอยู่เมืองอะไรเมืองอะไรเมืองเบิร์กเบิร์กแฟกซ์อแฟกซ์รู้จักพระอาจารย์ดิกไหมีท่านนี่ชาวอเมริกันบวชเป็นพระอยู่ร่วมในการไปสร้างวัดอยู่ในเวอร์จีเนียอยู่ในเขาเวอร์จีเนียมีค่ะมีด้ ก็มลวาชีท <c oughs> ่าก so? ็เป <c oughs> <c oughs> ็นเจ้าวาดอยู่ที่แรมนี่แล้วก็อยู่สามสีวัดนะคะอยู่ที่นั่นก็ติดตามเฟซบุ๊กได้นะที่ถ่ายทอดสดทุกวันค่ะมีเฟซบุ๊กเปล่าค่ะดีทำงานกับบริษัทเราไม่อยากเข้าไม่อยากเข้าไม่อมีเวลาค่ะคือมันเป็นกฎหมายด้วยค <c oughs> Hi, how are you? Good. Uh, is this your first time here? Are you first come? first time here? Yes. Where are you from? Australia. Australia. Uh, Melbourne, Sydney. Melbourne. Melbourne. Okay. Uh, I'd like to ask your advice on putting the Buddha's teaching into practice. Yes. The Buddha. Was asked, Can, is it possible to shorten his teaching, summarize his teaching? Yes. And if so, what would that be? I see. And I believe the Buddha said yes. And the the the, the teaching was nothing whatsoever should be clung to. u uh h -huh. May I? Share my very brief understanding of that teaching. s h a i Nothing should be clung to because all conditioned things, like us, mm -hmm. including us, uh -huh. are impermanent, uh -huh. unsatisfactory, mm -hmm. and not a real self. Mm -hmm. And why we cling. We cling because of a false sense of "I" and "mine." Mm -hmm. Through the senses—sight, hearing, taste, feeling—we yes. we get exposed to the world, mm -hmm. and we want things, mm -hmm. or we don't want things. Mm -hmm. I have a problem more in things I do not want. I get annoyed, and um, driving in in Bangkok traffic mm -hmm. with bad b e h a v i o r of drivers, mm -hmm. I get annoyed with loud noises. Uh, I like I like peace. You cling to peace, eh? so you cannot cling to peace. No, you, you just said that the Buddha said you have to uh, not cling to anything. Not that's right. Not even, peace, even peace. Even so, peace. So, If you're in noise, then you have to to live with it. Live with it. We have to just observe. Just beware. a And be be aware. And yeah, Just acknowledge and not feeling. No reaction. No reaction to whatever you come into contact with. So how do we how do we practice that or how do we do? Meditate. That? You have to meditate through meditation. Yeah, when you sit down and and concentrate your mind on one object such as your breath, when your mind become fully absorbed, your mind will become neutral. It will have it will not react to anything. So you want to get the mind to that to that, level. that level. Right now the mind is in a, a reactive mode. Whenever it comes into contact with it, will either react positively or negatively, like a pendulum. Yes, it keeps swinging back and forth. When you meditate, you bring the pendulum to the center. When it's in the center, then it cannot swing either way. And and that calm, yeah, one one can carry with you in, in, into the normal world. Yes, situation. if if you do a lot of it. Yeah. Right? But when you only do a little, a little bit of it, it only stays while you meditate. After you come out, it will disappear. Yes. So the Buddha said you have to use another tool to keep it calm, and this is what you just said: to think of everything as un unconditional things, co conditional things in which you cannot cling to. Yes. You must let them be. So when you when you come up your meditation, you have a calm mind. When you listen, go driving in traffic, you you lose that calm because your desire appears, you you clinging appears. You you want to cling to peace, yes. but there's no peace for you to cling to. Yes. So you have this negative reaction toward the noises that destroy your peace. Yes. So what you have to do is to teach your mind not to react to the noises. Just accept that this is what it is. Right. It is uncondit is conditioned things, which we you must not cling to either positively or negatively. Positively clinging means you want to keep it. Negatively, you want to get rid of it. You cannot do either way because you cannot you cannot control them. You cannot say, "Okay, get away, disappear." Right? Yeah, it's anatta. s e that's the third. That characteristic is nature. Is part of nature, yes. a phenomenon, natural process. So you s t u l l have to keep calm and and just acknowledge. Practice more meditation. Yeah, to to bring your mind to to calm, and then constantly remind yourself that everything is impermanent. Don't cling to them. The peace you have from your meditation is already gone, and the noise you have in the traffic is your your new reality. So you have to live with that reality. Yes. Okay, thank you. I have a couple books I can give you. Oh, that's very good. Thank you. Okay. This is my biography. And this is some of my talks, my English. Oh, very good. Thank okay. you so much. Okay. If you have more questions, you can you can ask. Um, one, one question. Um, I have been reading some of the work, some of the talks of Praputa Tad. Mm -hmm. I, I find them very helpful. Yes. Do you, Do you recommend him as a good teacher? I don't know him personally, and I haven't read much of his teaching, so I cannot really say. Okay. But from his reputation, I heard that he's quite popular yes. among Westerners. Yes, he he seems um, to offer, you know, express things in a way that I can understand. Yes. So you just look at the the the result that you can get from his teaching. If it's profitable, okay, then. Take it up. If you find it's not profitable, then just leave it alone. Okay. Just like my books, if you read and you find it useless, throw it away. <laughs> <laughs> <can't do> that. <laughs> Thank you so much. a y a t to a k a y h g o o o No. No. No. No. o No. No. No. No. o No. No. No. o No. No. n No. No. No. No. o No. No. No. No. No. No. n n o o n n o ก็คือตอนเนี้โยมก็อยากยาวสตินะคะก็เข้ามาถึงวัดปลายแล้วค่ะก็รู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยร้อนแล้วก็ยังอารมณ์ขึ้นลงลองหัดท่องพุทโธไปเรื่อยๆเลยพุทโธไปอย่างเดียวนี่แหละเวลาร้อนกับพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงที่เรื่องที่ทําให้เราร้อนเดี๋ยวก็เราลืมันปักมันนอนก็หายไปพุทโธนี่มันจะหยุดความคิดต่างๆหยุดอารมณ์ต่างๆได้ อ๋อจิตมันมีหน้าที่หลายอย่างมันมีมันมีมันมีสิ่งที่ทำหน้าที่หลายอย่างความคิดก็อย่างหนึ่งความจำก็อย่างหนึ่งความรู้สึกก็อย่างหนึ่งมันมาอยู่ในจิตหมดเนี่ยเหมือนนั่งกายมีแขนมีขามีตามีหูจิตก็มีความคิดมีความรู้สึกมีความจำมีการรับรู้ก็เป็นเป็นเป็นความสามารถของจิตเนาะ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 นักสมาธิก็เข้าให้พุทออกให้โทรประเพื่อนเป็นหลัอันนั้นก็อย่างหนึ่งแต่นอกเวลานั้นทั้งวันเลยตั้งตื่นขึ้นมาก็ให้ผ่านท่องพุโทโธรไปเรื่อย เ, อเออวลาอารมณ์ไม่ดีก็พุทโทพุทโทเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีก็หายไปล้อันนี้ใช้ในชีวิตประจําวันใช้ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเป็นเหมือนขับรถเนี่ยต้องมีเบรกเดี๋ยวขับรถไปไม่มีเบรกเดี๋ยวมันก็ชนกันแหลกอารมณ์เรานี่ก็เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีเบรก พอเราไปยึดไปติดไปอยากได้อะไรแล้วมันก็ร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเรามีเบรกเดี๋ยวมันก็เย็ยนพุทโทพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวมันก็เย็ยนหัดหัดท่องพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่มีเวลาไม่มีธุระจะทําอะไรก็นั่งหลับตาแล้วก็พุทธเข้าโทออกไปหรือไม่ต้องพุทธเข้าโทออกก็ได้พุโทโธอย่างเดียวไปไม่ต้องดูลมก็ได้เอาพุโทโธอย่างเดียวก็ได้แล้วใจก็จะนิ่ง ส, สงบแล้วจะมีความสุข อาจารย์ครับคนที่อยากทําบุญเยอะๆอราก็ทําไปสิไม่ว่าอะไรเนี่ยแต่ไป <laughs> อยากอยาก่อยาไปอยากเกินตัวเท่านั้นอยากก็ไม่มีทำก็อย่าไปอยากอยากทําในสิ่งที่ทําได้ ừ. ออออมีเยอะก็ทําเยอะมีน้อยก็ทําน้อยทําเท่าที่หมดเนะี่ยทําเท่ามที่มีเนี่ยนะ <laughs> ทำหมดแล้วก็ <laughs> เหมือนกันเรอยากทำแล้วหมดแล้วก็บวชอ่ เกิด ค, ความอยากที่ดีก็มีอยากรักเรียนก็ทําไปอยากทําบุญอยากรักษาศีลอยากปฏิบัติธรรมนี้ดีมันทำให้ใจเย็นทำถ้าทําได้แล้วมันจะเย็นแต่ถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องทําใจว่ายังทําไม่ถึงก็ทําต่อไปอย่าไปอยากมันก็จะร้อนขึ้นมาได้ทำแล้วไม่ได้ดังใจอยากถึงแม้จะเป็นการทําที่ดีมันก็ทําให้ใจอ่อร้อนได้เราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้หน่อยว่าเออ เราอยากจะทําบุญเงินเท่านี้แต่เรามีแค่นี้มีน้อยกว่าที่เราอยากจะทํำเราก็ต้องลดปริมาณความอยากลงก็ทําเท่าที่เรามีไปก่อนก็แล้วกันแล้วถ้ามีอีกค่อยมาทําต่อเอฮะให้มันพอดีเอแต่ความอยากทางที่ดีทําไปเลยแต่ความอยากที่ไม่ดีนี่อย่าไปทําอยากไปเที่ยวอยากไปกินเหล้าอยากไปเล่นการพนันอยากรล่าอยากรวยอยากอะไรนีอย่าไป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 มีแต่มีแต่ความเสียใจตามมาถ้าทำตามความอยากเนอย่าไปอยากกับอะไรดีกว่าทางบ้านมีอะไรัหยมีครับอาจารย์เรามาเลยคำถามจากคุณพีพรพลนะครับวิธีปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงพระโสดาบันต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็เนี่ยต้องทำบุญทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิทำใจให้สงบ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 ้ก็ดับไปเอถ้าปล่อยได้ก็แสดงว่าปล่อยความเจ็บได้เนาะแล้วความตายปล่อยได้มั้ยก็ลองไปอยู่ในป่าดูลองไปอยู่ป่าชะดูไปที่ไหนมันน่ากลัวดูดูไปแล้วใจกลัวหรือเปล่าทุกข์หรือเปล่ายอมตายหรือเปล่าถ้ายอมตายได้ก็ไม่กลัวแล้ะไม่กลัวก็หายทุกข์ก็แสดงว่าปล่อยแล้ว่ะพระโสดามันท่านปล่อยร่างกายได้ปล่อยความแก่ได้ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายได้ ท่าอยู่กับมันได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนคําถามข้อต่อไปจากคุณพชระนาคาลินนะครับอยากถามว่าปกติจิตเราจะอยู่ส่วนไหนของร่างกายคะแล้วเวลาหลับจิตเราไปไหนคือจิตเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในร่างกายแต่มันส่งกระแสมามาม า, มาเชื่อมกับร่างกายส่งกระแสมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยม า, มารับ ความรู้ต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกเลี้ยงกายจิตใจเป็นเหมือนกับคนที่ที่เขาเรียกอะไรหุ่นกระบอกใช่ไหมเห็นเห็นหุ่นกระบอกไหมคนที่ก็เชิดหุ่นเนี่ยคนที่เชิดหุ่นก็จะมีเส้นสี่ห้าเส้นอะไรนี้ไว้สําหรับดึงแขนดึงขาดึงอะไรดึงหน้าดึงตาจิตก็เหมือนกันจิตจะมีเชื่อมอยู่ห้าเส้นมาเชื่อมกับตาหูจมูกเลี้ยงกายแล้วก็จะเป็นตัวที่จะสั่งให้ร่างกาย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 กอกำจัดไม่ได้ก็เครียดนพออยากจะได้สิ่งที่เราอยากได้ไม่ได้ก็เสียใจแต่ถ้าเราเฉยๆซะมันก็สบายเพราะสิ่งที่ได้เดี๋ยวมามาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ดีสิ่งที่เราอยากให้มันไปเดี๋ยวมันก็ไปของมันเองแล้วไม่ต้องไปไล่มันหเดี๋ยวถึงเวลามันก็ไปของมันเองหัดมาหัดทําใจให้เฉยๆนั่งสมาธิทําใจให้เฉยๆแล้วก็จะหยุดความอยากได้หยุดความนักชังกลัวหลงได้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 แล้วใจเป็นตัวที่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่มันรับรู้<ม>สุขทุกข์ไปกับสิ่งที่รับรู้<ม>ตัวร่างกายมันไม่สนมันไม่เดือดร้อนอะไรจะมากระทบกับมันของแข็งของนุ่มของคมของแหลมมันไม่รู้เรื่อง<ม>แต่ตัวที่รู้เรื่องมันไม่ได้นอนเท่าไหรแต่ไปเกิดความรู้สึกขึ้นแทนร่างกายคําถามข้อต่อไปจากคุณด็เตอร์พิสิทธ์นะครับ ความอยากที่จะให้งานที่รับผิดชอบสำเร็จลุล่วงจนบางครั้งกลายเป็นกิเลสความเครียดความทุกข์เป็นกิเลสหรือไม่ครับถ้าทุกข์ก็เป็นกิเลสแล้ ว, ลวมันต้องอยากแบบไม่ทุกข์ได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันแล้วก็ทำตามหน้าที่ของเราทำตามความสามารถของเราทีผลมันจะเกิดไม่เกิดมันไม่แน่นอนบางทีมันมีเหตุอย่างอื่นมาขัดขวางความสาเร็จก็ได้ เมื่อมันไม่สําเร็จก็ยอมรับว่ามไม่สําเร็จก็เท่านั้นเองก็มี้ก็มีไปแต่อย่าไปยึดติดกับเป้าหมายาปเป้าหมายเป็นเพียงแต่เป้าหมายไม่ได้เป็นตัวที่จะทักว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นเสมอไปเห็นทุกคนก็เป็นนายกกันไปนหมดแล้วเนี่ยเวลาเลือกตกั้งมันก็ก็สมัครเป็นนายกกันทั้งนั้นแหะแต่มันได้คนเดียวอะ่ะใช่ไหมคนไม่ได้ก็เสียใจก็ทุกข์เพราะมันไม่ได้ดังดังใจอยาก ยตั้งเป้าอย่าไปตั้งความอยากตั้งเป้าได้อย่าตัอย่าไปตั้งความอยากที่เป้านั้นความอยากให้อยู่ตรงที่ความจริงได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นมันก็จะไม่ทุกข์ขออยากตามความเป็นจริงนั้นได้เท่าไหร่ท่านก็เท่านั้นอ่ะเวลาจะขอขออะไรจากใครก็แล้วแต่คุณให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแหลอได้ทั้งนั้นอย่างนี้แม่พระใบินบาก์พเจ้าสอนว่าให้ยินดีตามมีตามเกิดเราจะไม่ทุกข์ เขาจะใส่อะไรมาก็ดีก็ไม่ใส่คิดแค่นี้ก็พอละถ้าไปจู้จี้จุกจิกอยากจะกินนูน่นกินนี่แล้วไม่ได้นังใจก็เสียใจแล้วเราไปตั้งเป้าผิดนะพระยัยงเป็นพนระบิณฑบาตก็ไม่ให้ไปตั้งเป้าที่ขนมนมเลยที่ชอบเขาเนี่ยต้องเป้าต้องตั้งไปตามมีตามเกิด ม, ม, มีหน้าที่เดินก็เดินไปเขามีหน้าที่ใส่ก็ใส่ไปเรามีหน้าที่ทํางานเราก็ทําไปผลมันจะสําเร็จไม่สําเร็จก็อยู่ที่ เหตุปัจจัยที่เราสร้างขึ้นมาว่ามันพร้อมหรือเปล่าถ้ามันไม่พร้อมมีเหตุอย่างอื่นมากัดขวางมันก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงนั้นมันก็ไม่ทุกที่มันทุกเพราะไม่ยอมรับความจริงมันจะเอาให้ได้ดังใจคําถามข้อต่อไปจะคุณตุกตาไม้นะครับทาอย่างไรจะจัดการกับความอยากของตัวเองได้คะพระพุทธราย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 คำถามจากคุณยุพาพรนะครับเวลาเราไม่สบายใจเราจะ ก, กําหนดพุทโธได้ไหมครับไดใ้ใจมันสงบได้พุทโธไปเดี๋ยวเราลืมเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมันก็หายแล้วแต่ถ้าเราไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไม่สบายใจมันก็ไม่สบายใจไปทั้งวันนะ่ะคนเขาด่าเรามั้เมื่อเช้านี้ตอนเย็นนี้ยังคิดถึงมันอยู่ก็ยังไม่สบายใจอยู่นั่นนะ่แต่ถ้าเราลืมไปแล้วมันก็หายไปละมันหายไปกับเรื่องนะ ยิงยเหวเรื่องเข้ามาในใจเรื่องมันอยู่ข้างนอกเราไปดึงเข้ามาเองดึงมาด้วยความจําขาด่ามันทั้งไหนเมื่อเช้านี้ตอนเย็นยังจําได้คิดถึงทีไรก็ไม่สบายใจขึ้นมาทุกทีพอไม่สบายใจก็พูดโทดับมันไปสิลบมันไปพูดโทนี้เป็นยางลบเหมือนใครเขียนอะไรว่าบนกระดานดําเนี่ยเราก็เอาอยางลบมีลบมารลบไปแตกระดานดํำก็ว่างใจเราก็เหมือนกระดานดนะําเนี่ย เราคิดถึงเรื่องอะไรมันก็มีอารมณ์ขึ้นมาพอเราพุโทโธลบไปมันก็หายไปหมดมันก็ว่างเย็นสบายคำถามจะคุณตัวนะครับกําหนดพุดโทโธโดยที่ไม่ต้องดูลมหายใจก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะก็ไม่ควรนะเพราะในชีวิตประจําวันมันไม่มีเวลามานั่งดูลมหรอกน้อกจากเวลานั่งเฉยเฉยนั่งสมาธิเราไม่ต้องดูลมก็ได้แต่การทําสมาธินี้ไม่จําเป็นยังต้องใช้พุโทโธกับลมแต่ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ชอบดูลมก็ดูลมไปไม่ต้องใช้พุทธโธก็ได้ชอบพุทธโธไม่ต้องดูลมก็ได้หรือชอบสองอย่างก็เอาทั้งพุททั้งลมก็ได้แล้บางคนชอบสองอย่างก็แล้วพุทเข้าโธออกบางคนชอบอย่างเดียวก็พุทโธอย่างเดียวบางคนชอบดูลมอย่างเดียวก็ดูลมอย่างเดียวมันไม่ใช่สูตรตายตัวว่าเวลาพุทโธแล <meine S 2> ้ ว, ต, วลลต้องดูลมไม่ไม่เกี่ยวแล้วแต่ความชอบทำความถนัดของแต่ละคน <okay. S 1> แต่เวลาที่ไม่ได้นั่งนี่มันพุทโธอย่างเดียวก็พอ อไม่ต้องไปดูลมเพราะมันดูยากลมหายใจเวลาเราเดินเหินทําอะไรนี่มันดูยากมันจะดูได้ก็ตอนเฉพาะเวลาเรานั่งเฉยๆนะยันไม่ต้องไปดูลมนอกจากเราจะเป็นจริตชอบดูลมแล้วดูได้ก็ดูไปคําถามจะคุณน้ําหวานนะครับถ้าเรามีการกําหนดคําบริกรรมตลอดเวลาทั้งวันเผลอไปก็รู้สึกตัวและมีการแยก เวลาทำสมาธิหรือทำในรูปแบบตาา่างๆาและถ้าหนูอ่านหนังสือสอบเวลากาหนดภาวนาอิริยาบทย่อยก็น้อยลงการอ่านหนังสือเยอะๆจะทำให้เราการปฏิบัติล่าช้าใหม่เจ้าคะก็การการไปอ่านหนังสือถ้ามันอ่านธรรมะมันก็ไม่ล่าช้าแต่ถ้าไปอ่านหนังสือทางโลกมันก็จะไปคนละทางกัน มันก็จะขวางกันมันจะดึงไปคนละทิตคนละทางมันก็จะออกนอกลูกนอกทางไปถ้าอยากจะเจริญทางปฏิบัติก็ต้องตัดกิจกรรมทางโลกไปให้หมดคำถามจากคุณพาดาวันนี้เกิดสภาวะทมสดๆร้อนๆคือเห็นคนที่เขาไม่ชอบเราพูดจากะแนะกระแหนเมื่อได้ยินแล้วก็กลับเขากลับเข้ามาดูการ กัเทือนของจิตที่รู้สึกที่ลิ้นปีและก็เห็นว่าไม่ค่อยชอบใจแต่ก็ดูกลับไปกลับมาระหว่างอาการกัดเทือนของอกัดเทือนและความรู้สึกไม่ชอบใจนั้นเห็นชัดว่ามันไม่เที่ยงมีการเกิดแล้วดับเป็นเช่นนั้นเองสักพักก็รู้สึกเฉยๆทำอย่างนี้ถูกไหมครับพระอาจารย์ถูกแล้ถ้ า, ถ, าถ้ามันเฉยก็ถูกอ่ะทามไม่เฉยก็ไม่ถูกอ่ะ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 ไปไปติดอยู่กัาคำพูดที่ไม่ดีอย่างที่เมื่อกี้อธิบายฟังก็ด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนเย็นมันยังสะเทือนใจอยู่เลยเพราะเราเอามาคิดเองสิ่งที่เขาพูดมันผ่านไปแล้วเขาพูดหนเดียวแต่เรามาคิดร้อยหนนเพราะเราไม่มีสติหยุดมันคําถามจากคุณยาในานินจากประเทศฝรั่งเศส น, นะครับเวลานั่งสมาธิมีแต่คิดไป ไรสาระอ่มีแต่คิดไปสารพัดทำแบบนี้จะคิดถามไม่ถูกนั่งไม่ได้หรอถ้านั่งแล้วยังคิดก็มันไม่สงบเหรอต้องหยุดคิดก่อนต้องหัดพุดโทโธก่อนหัดพุดโทโธหยุดความคิดให้ได้ก่อนแล้วเวลามานั่งมันก็จะไม่คิดมันก็จะอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวเั้นฝึกฝึกพุโทโธก่อนจะจะนั่งสมาธิต้องมีพุโทโธหยุดความคิดให้ได้ก่อน เกิดขึ้นมาลืมตาก็พุทโธไปเลยทําอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธไปอาบน้ำกับพุทโธไปล้างหน้าแปรงฟันกับพุทโธไปแต่งตัวกินข้าวอะไรก็พุทโธไปถ้าต้องใช้ความคิดในระหว่างการทํางานก็หยุดพุทโธไว้ชั่วคราวคิดไปในเรื่องงานการไม่เป็นไรไอพอคิดไปในทางความอยากก็พุทโธหยุดมันท่านั้นเองอแล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่คิดพอเราอยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธ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 คือตั้งเป้าได้ไปนิพพานได้เป็นนายกได้ตั้งได้แต่ จ, จะได้ไม่ได้นะั่นอีกเรื่องหนึ่งเฮ้ยอย่าไปยึดไปติดกับเป้าที่เราตั้งเราไมีหน้าที่ทำเหตุก็ทาไปถ้าเหตุมันพร้อมมันก็ได้เองทำเหตุมันไม่พร้อมไม่ได้ไม่ได้ก็อย่าเสียใจได้ก็อย่าไปดีใจก็ทำไปตามเหตุตามผลนั่นเองคาถามจะคุณอนาปานะครับการฟังเสียง เ บ, บริบรยายัยทำบรรยายทำบทประกรอบเสียงดนตรีมีผลต่อศีลแปดไหมครับก็ไม่ควรเนี่ยเพราะดนตรีมันก็เป็นอารมณ์ทางบันเทิงเราไม่ต้องการอารมณ์แบบนี้เร้ต้องการความสงบความว่างางั้นฟังเสียงธรรมงั้นพระเวลาจะเท่ก็ต้องมีมีวงดนตรีมาคอยบรเลง <laughs> อย่าไปมีอย่าไปมีเสียงนนตีเป็นเป็นเรื่องของกิเลส ข, ขอมารขอมาร่วมวงด้วยแล้วมันจะกลายเป็นเดี๋ยวฟังไปฟังมาไปติดเสียงนนตีเข้าก็ซวยใช่ไม้มคำถามจากคุณพัชระนาคลรินนะครับเวลากำลังจะถูกฉีดยาเราจะกำหนดจิตไว้ที่ไหนดีคะที่ว่าแยกกายออกจากจิตอยู่ที่พุทโธไงอย่าอย่าไปสนใจ พูดโทรพุดโทรไปเวลาหมอชิมจ๊ ก, กเหมือนกับมือนฟ้าลองแปบเดียวนั่นเองลดการนิดเดียวถ้าไปจดประจอบมันก็ยิ่งเครียดใหญ่อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดีที่สุดพุทโธพุทโธไปเนี่ยแยกจิตออกจากกายอย่าไปสนใจเรื่องของร่างกายดึงดึงใจออกด้วยพุทโธต้องพุทโธพุทโธไปหมอฉิมปั๊บเสร็จแล้วเหรอไม่รู้ด้วยทําไปว่าฉิมแล้ว แต่ถ้ามานั่งจ้องดูเข็ม <c oughs> <c oughs> มันก็เลยปุงุงแต่งเข้าไปใหญ่ <c oughs> แต่พุโทโธมันใช้ได้หมดเลยปัญหาต่างๆเนี่ยของวิเศษแต่เราไม่รู้จักใช้กันลองหัดท่องพุโทโธไปให้มันชํานาญแล้วต่อไปเวลามีอะไรทางใจก็พุโทโธพุโทโธไปเดี้วเดียวห้านาทีสิบนาทีมันก็สงบละมันก็หายจากความเครียดต่างๆคําคถามจะคุณปักภีนะครับ พอเกิดความอยากแล้วภาวนาพุทโธสะกดความอยากไว้พอเผลอความอยากก็กลับมาใหม่รู้ตัวก็ภาวนาสะกดความอยากไปอีกหลายๆายครั้งรู้สึกว่าความอยากชักจยากรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนแทบสะกดไม่ไหวจะต้องทําอย่างไรครับก็สู้ต่อไปถ้าแพ้มันมันก็มันก็มันก็ยังก็ยังมันก็จะกลับมารบกวนเราอยู่เรื่อยๆถ้าเราชนะมันมันก็จะ มันก็จะไม่มาหรือมาก็จะเบาลงกว่าเก่าฉะนั้นช่วงต่อสู้กันนี้ต้องอดทนมากต้องต้องสู้ไม่ถอยอย่า ง, ท, งาที่หลวงตาท่านบอกเนี่ยสู้กิเลส ต, ต้องอย่าไปถอยอย่าไปยอมมันยอมขาดใจตายไปกับพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันมันยอมเองพอมันยอมแล้วเบาเลยเหมือนคนสองฝ่ายชักกระเยอะกันเนี่ยเวลาสองฝ่ายดึงกันเนี่หมมันเตึงมากใค่เชือแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งปล่อยปั๊บมันเบาเลย ใจเวลาสู้กับความอยากนี่มันเครียดเวลาจะพุโทโธนี่เหนื่อยแต่ถ้าพอความอยากมันหยุดปับ๊บหายเหนื่อยเลยเบ า, บาออขึ้นมายันถ้ายังพุโทโธได้พุโทโธไปบอกขอพุโทโธไปจนกระทั่งหายจะขาดใจตายไปมันถ้าสู้แบบนี้ล่ำล่องนะชนะมันแน่แต่ถ้าไปยอมแพ้มันเมื่อไหร่ก็แพ้มันเมื่อ น, นั้นนั้นอย่ายอมแพ้กิเลสอย่ายอมแพ้ความอยากถ้าแพ้ก็ต้องแพ้มันไปเรื่อยๆ ถ้าชนะแล้วก็จะชนะมันไปเรื่อยแตนมันต้องมีวันหนึ่งที่เราจะต้องชนะเมื่อชนะแล้วเราก็จะชนะมันไปเรื่อยแต่ยังไม่ชนะมันก็จะแพ้ไปเรื่อยตายไปก็ต้องถูกมันชุด่ากไปเกิดใหม่เพราะจะเป็น่าชของมันไปการแพ้ความอยากก็ถือว่าเราเป็น่าตของความอยากการชนะความอยากก็ถือว่าเราเป็นเจ้านายของความอยากข้อนะครับเมื่อผมจาหาคาถามไม่เจอเลยนะครับ เขาถามว่าอ่าพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรกับอ่าการดูดวงอะไรยเงี้ยครับพระพุทธเจ้าท่านให้สอนอยู่แล้วว่าอนาคตของเราคือความแก่ความเจ็บความตายของจริงครับไม่ชอบดูกันชอบไปดูของปลอมกันะไปดูว่าฉันจะได้คนนั้นคนนี้หรือเปล่าจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือเปล่าไปดูมันทําไมมันของปลอมเท่านั้นคนดูก็ไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่าก็พูดไปอย่างนั้นเอง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 เหมือนไปเรียนจุลามันก็ได้จุได้ได้ได้จบจุลากันถ้าไม่มีจุลาไปเรียนมันก็ไม่ได้จบจุา <Yeah. S 1> ลาใช่ไหมนั่นมันต้องมีสถาบันมีคนสอนแล้วคนที่อยากจะเรียนมันก็จะไปเรียนได้สําเร็จได้ถ้าไม่มีสถาบันไม่มีคนสอนต่อให้มีความปรารถนาเท่าไหร่มันก็เรียนไม่ได้เพราะไม่มีคนสอนนั้นอยู่ที่คนสอนถ้าไม่มีพระเจ้านี่ไม่มีพระอรหันเกิดขึ้นในโลกนี้หรอกก่อนหน้านั้นไม่มีพระอรหันแม้แต่โลก แต่องค์เดียวตอนที่ยังไม่มีพระพุทธเจ้าพอมีพระพุทธเจ้าแล้วพระอรหันต์นี่เป็นเหมือนลูกหลานออกมาเป็นดอกเป็นเห็ดเลยใช่ไหมยิง่งครูบาจารย์นี่เป็นเหมือนพ่อแม่เนี่ยเราถึงเรียกครูบาจารย์ว่าพ่อแม่ครูจารย์เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่ให้กําเนิดการเป็นพระอริยบุคคลแก่พวกเราเราไปศึกษากับพระอารหันต์ท่านเป็นพ่อแม่ของเราแล้วท่านก็จะสอนให้เราเป็นพระอารหันต์กัน แ้วถ้าเราเชื่อฟังแล้วปฏิบัติตามไม่นานเราก็เป็นกันเนะี่ยพระที่ไปศึกษากับหลวงปูม่มั่นเขาเคารพท่านมากเชื่อฟังท่านมากท่านสอนใอะไรให้ทําอะไรถึงแม้จะให้ตายให้ไปสละชีวิตตามที่ท่านสั่งเขาก็ยินดีที่จะตายกันนะท่านเขายอมกันถึงขนาดนั้นเขาเชื่อกันถึงขนาดนั้นอ่ะเขาถึงเขาถึงบรรลุกันเข้าถึงได้เป็นพาาระอรหันต์กันดังนั้นมันอยู่ที่ความที่ท่านเป็นพาาระอรหันต์ ท่านมีความรู้ความสามารถที่จะสั่งสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามได้พระอรหันต์บางรูปท่านไม่มีความสามารถท่านสอนไม่เป็นท่านก็เลยไม่มีลูกศิลป์ลูกหาอย่างหลวงปูเ่เสานี่ก็เป็นพระอารหันต์เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่มั่นไปแต่หลวงปู่เสากำังไม่มีลูกศิลป์ลูกหามากเพราะท่านสอนแค่ศีลสมาธิปัญญาสามคำนั่น เ, เองไปปฏิบัติเนอเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญาเนี่ยฟังแคน่นี้ถ้าคนฟัง ไม่ฉลาดก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ถ้าหลวงปู่มั่นท่านจะสาธยายศีลคืออะไรพร้อมใน227ข้ออะไรว่าไปรายละเอียดต่างๆคนฟังแล้วมันก็เข้าใจสามารถนำมาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ได้รับผลทันทีแน้่มันนไม่ได้อยู่ที่คนเรียนอยู่ที่คนสอนเป็นหลักคนเรียนถ้าสนใจขนาดไหนแต่ไม่มีคนสอนมันไม่มีวันที่จะเรียนได้ ยังต้องมีคนสอนที่ที่รู้และเก่งในการสั่งสอนอย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านท่านรู้และท่านเก่งในการสั่งสอนท่านถึงสอนให้คนเป็นผ้าหลานได้อย่างรวดเร็วง่ายดายช่วงแรกแรกระยะเจ็ดเดือนแรกนี้ท่านสอนมีผ้าหลานอย่างน้อยหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปละวันมาค่าบูชาเนี่ยเป็นวันที่มีผ้าหลานหนึ่งพันสองรห้าสิบรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าในผ้าหลานเหล่านี้ก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า ตั้งแต่วันแรกคือวันวันอาสาหบูชาวันวันเพ็ญเดือนแปดออกมาถึงวันเพ็ญเดือนสามอีกอีกเจ็ดเดือนต้องเออเจ็ดเดือนเท่านั้นเน่ยต้องมีผ้าอรหันอย่างน้อยหนึ่งพันสอง้อยห้าสิบรูปละก่อนหน้านั้นไม่มีแม้แต่รูปเดียวก่อนที่พระเจ้าแสดงธรรมนี้ไม่มีใครเป็นผ้าอรหันได้เลยนั่นอยู่ที่หนึ่งอยู่ที่การเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นผ้าอรหันของท่านและสองอยู่ที่ความสามารถในการสั่งสอน หมดแล้วนะโอเคก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิเิตพิจนาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่าน